สมาธิกันสั้นๆนะสักหนาทีนะพยายามทำจิตใจภายใน5นาทีนี้ให้อยู่กับลมหายใจก็พยายามรักความเพลินพยายามตั้งจิตอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็พยายามบูว่าใน5นาทีนี้ เราจะไม่ให้จิตไปคิดเรื่องอะไรถ้าคิดมันคือการสร้างภพสถานที่เกิดของจิตพระารรมอกว่าต้องดับภพบให้ไวที่สุดเราก็พยายามจะละความคิดแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจที่พระองค์บอกว่าเป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิต <c oughs> ในระยะเวลาสั้นๆเราลองใช้ความเพียร ความพยายามนะละความเพลินไม่ให้จิตเนี่ยผูกติดไปกับอารมณ์แล้วก็ตั้งไว้ซึ่งกายยักตาสติลมหายใจของเราพระองค์บอกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายนะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ ใจนั้นพระศาสดาบอกเปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้จับพอดีพอดีดังนั้นให้เราวางจิตพอดีพอดีไม่ตั้งใจมากเกินไปหรือน้อยเกินไป จิตของเราเคลื่อนออกจากลมหายใจไปให้ละความเพลินนันทิแปลว่าความเพลินให้เราพยายามละนันทิอย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอานาจของความเพลินการที่จิตผูกติดกับอารมณ์พระองค์เรียกว่าสัญโยคะนะอย่าให้จิตมีสัญโยคะ ผูกกับอารมณ์ความคิดอันเป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามพระองค์ตรัสว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำาริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังลึก ป, ปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณ เมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพจใหม่ต่อไปย่อมมี วันมาคาปุชาวันนี้เป็นการประชุมของภิกษุนะที่พระเจ้าเรียกว่าสาวการนังสนนิปาโตเป็นการประชุมของสาวกทั้งหลาย จะอ่านพระสูตรนะเกี่ยวกับวันนี้ให้พวกเราได้ฟังนะว่ า, าพระองค์จัดไว้อย่างไรบอกภิกษุทั้งหลายนับแต่นี้ไป9ก้บเกับพระผู้มีพระภาคอาราันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าวิปัสสีได้เสด็จอุปัติขึ้นในโลกทรงมีพระชนมายุประมาณ80หมื่นปีการประชุมกันแห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้มีสามครั้งครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุ หกล้านแปดแสนรูปอีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจํานวนภิกษุแสนรูปอีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจํานวนภิกษุแปดหมื่นรูปสาวกของพระผู้มีพระภาคอราันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ได้ประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ล้วนเป็นพระขีณาศพทั้งสิ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนับแต่นี้ไป31อกับพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงมีพระชนมายุประมาณเจ็ดหมืปี การประชุมกันแห่งพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอลรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีได้มีสามครั้งครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุแสนรูอีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุ8ปดหมืนรูอีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุเจ็ดหมืนรูปพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีซึ่งได้ประชุมกันทั้งสามครั้งนี้รุวมเป็นพระขีนาสพทั้งสิ้นในกับที่31นั่นเองพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าเวสภูได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงมีพระชนมายุประมาณห0หมปีการประชุมกันแห่งพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูได้มีสามครั้งครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุ แปด0มนรูปอีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุเจ็ด0มืนรูปอีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุหกหมื่รูปพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า เวสภูซึ่งได้ประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ล้วนเป็นพระขีณาศพทั้งสิ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายในพัทธกัปนี้พระผู้มีพระ้ากอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงมีพระชนมายุประมาณสี่0มื่นปี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 ซึ่งได้ประชุมกันครั้งเดียวนี้ล้วนเป็นพระขีนาสพทั้งสิ้นในพัตตกะนี้แหละพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระถามว่าโกนาคมณะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงมีพระชนมายุประมาณสามหมื่นปีการประชุมกันแห่งพระสาวก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 ในพัฒกับนี้แหละพระผู้มีพระภาคอรหันหตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าตัสสปะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงมีพระชนมายุ ป, ประมาณสองหมื่นปีการประชุมกันแห่งพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันหตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าตัสสปะได้มีครั้งเดียวมีจานวน ภิกษุสองหมรูปพระสาวก ข, ของพระผู้มีพระภาคหลานตสัสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะที่ได้ประชุมกันครั้งเดียวนี้ลือนเป็นพระขี่นาศกทั้งสิ้นในพัตตกะนี้แหละเราผู้หลานตสัสมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ก็ได้อุบัติขึ้นแล้วในโลก จนอายุของเราในบัดนี้มีประมาณน้อยนิดเดียวผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างนานก็เพียงร้อยปีบางทีก็น้อยกว่าบ้างมากกว่าบ้างการประชุมกันแห่งสาวกของเราในบัดนี้ได้มีครั้งเดียวมีจำนวนภิกษุ1250ส้สรูปสาวกของเราซึ่งได้ประชุมกันครั้งเดียวนี้ ล้วนเป็นพระกีนาศพทั้งสิน้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีทรงสวดพระปาฏิโมในที่ประชุมพระภิกษุสงฆ์ดังนี้ขันติ คือความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าปราณิพนานเป็นธรรมอย่างยิ่งผู้ทําร้ายผู้อื่นผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรปะชิตไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยการไม่ทําบาปทั้งสิ้นการยังกุศลให้ถึงพร้อมการทําจิตของตนให้ผ่องใส นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่กล่าวร้ายการไม่ทำร้ายความสำรวมในพระปาติโมความเป็นผู้รู้ประมาณในอาหารการอยู่ในเสนาสนะที่สงัดการประกอบความเพียรในอัธิจิตหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย อันนี้เป็นเหตุการณ์ในการประชุมที่พระองค์เรียกว่าสาวกานังสันนิปาโตสันนิปาโตที่เราเรียกกันว่าสันนิปาตนะคือการประชุมนะเอโกสาวกานังสันนิปาโตอะโหสิอโหสิแปลว่ามีหรือเป็นนะอโหสิคือมีสันนิปาโตคือการประชุมสาวกานังก็คือสาวก เอกโกก็คือครั้งเดียวมีการประชุมของสาวก ค, ครั้งเดียวในสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราคือ1 2ึ0งพันสองราูปนี่ก็ให้ทราบเพจที่มาที่ไปนะว่าการประชุมลักษณะนี้มีตั้งแต่ในสมัยพระพรุทธเจ้าเมื่อเกาบกับที่แล้วนะในแต่ละพระองค์พระองค์ก็จะมีการประชุมของ กลุ่มสาวกนะไล่มาตั้งแต่6 8, ล้านแแสนรูปนะในสมัยที่มนุษย์อายุ80 0หมื่นปะีนะจนกระทั่งมาถึงในยุคของพระองค์นะอายุช่วงประมาณ100ปีแล้วก็มีการประชุมครั้งเดียว 1,250 รูปนะดังนั้นในวันนี้จริงๆควรจะเป็นวันที่ชื่อว่าสาวกานังสันนิปาโตนะก็คือวันประชุมกันของสาวกนั่นเอง ตามในบาลีก็เป็นอย่างนี้นก็พวกเราค่อยๆออกจากสมาธิมานะก็ได้ฟังพระสูตรเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันนี้นะไม่ทราบนะถือจะมีอะไรแจ้งหมู่คณนนะ ใช่ไหมไม่มีไห ม, ม, หมอ๋อๆมีอยู่แล้วก็ ค, คือในโอกาสที่วันนี้เป็นวันมาคาบูชานะคะนอกจากที่จะให้พวกเราได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวันนี้ซึ่งเนื่องมาแต่พุทธวั จ, จนะได้ตรัสไว้นะคะก็อยากจะก ร, บราบารทนาท่านอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมในบทที่คิดว่าน่าที่จะให้ชาวพุทธทั้งหลายได้ทราบในวันกะสําคัญสำคัญ ซึ่งมีคนเป็นจำนวนมากก็ตั้งใจที่จะทำบุญฟังธรรมกันในวันนี้นะคะอ๋อนะก็ก่อนจะให้ธรรมะกับพวกเราหรืออธิบายนะข้อธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ในวันนี้ก็อยากให้เยาวชนของเรามาแสดงความสามารถสักนิดหนึ่งนะในโครงการชวนน้องท่องพุทธวัจนะ์นะ ก็น้องน้ำวุนการน้องก้าวนะเป็นเยาวชนผู้ได้สัดับนะในคำของตถาคตและก็มีการสั่งสมสุตตะฝังมากจนสามารถคล่องปากขึ้นใจนะวันนี้จะได้ม า, าสาธยายพระสูตรให้พวกเราฟังเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่ เยาวชนท่านอื่นๆ น, นะลูกหลานของเรานะซึ่งในช่วงต่อไปเนี่ยในช่วงระยะนี้จะมีการเชิญชวนให้เายาวชนช่วงปงหนึ่งถึงป6เนี่ยมาสาธยายพระสูตรนะชงหรางวั ง, ง เ, เพื่อให้พุทธบริษัทของเราเป็น ปุถุชนผู้ได้สดับขึ้นมานด้วยเหตุปัจจัยก็คือที่พระองค์บอกว่าถ้าใครสร้างเหตุปัจจัยคือฟังคำตะถาคดหนึ่งเนืองจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเนี่ย <c oughs> พระศาสดายืนยันว่าถึงแม้เขาจะมีสติหลงลืมทำกาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเนี่ยเขาจะบรรลุธรรมความสาคัญคือตรงนี้ มนันคนที่สร้างเหตุปัจจัยคือฟังคำตถาคตหนึ่งงจนสามารถคล่องปากขึ้นใจนึกขึ้นในใจได้ตลอดนะและแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือความเห็นนะเข้าใจในทุกๆบทวิธ น, นะคนคนนั้นเนี่ยพรนะองค์ยืนยันว่าถึงแม้เขาจะขาดสติเวลาตายเขาก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นก็จะบรรลุธรรมด้วยสีอาการก็ออคือหนึ่งตัวเขาจะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้ เห็นที่สงเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้ยินพวกพิกษุ์ผู้มีฤทธิ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทแล้จะบรรลุธรรมโอกาสที่3ก็คือผู้เทพบริษัทจะแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วเข้าไปได้ยินเขาก็จะบรรลุธรรมโอกาสที่4คือผู้เทพบริษัทผู้เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังถึงธรรมะแล้วเขาจะบรรลุธรรมนี่ก็คือการบรรลุธรรมของเทวดาที่สร้างเหตุปัจจัยในสมัยเป็นมนุษย์ ด้วยการสั่งสมสุตตะนะมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะยากนักเราก็เลยอยากจะให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องนะหรือว่าผู้เฒ่าผู้แกนะ่ถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมในเวลานี้ฟังคําตถาคตให้มากๆไปก่อนนะแล้วสามารถที่จะพูดออกมาได้อย่างคล่องปากแล้วก็ขึ้นใจคือ น, นึกพุทธวจนะออกมาเนี่ยนึกได้ในใจ เราจะได้คุณสมบัติตรงนี้ได้บรรลุธรรมในภพของเทวดาเชิญน้องน้ำบุญวันนี้จะสาธยายพระสูตรอะไรนะป้าเห็ดปาผมทำหน้าเจ็สิบเจ็ดค่ ะ, ะเรื่องความอยากคือต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาค่ะเพราะอาศัยตัณหาจึงมีการแสวงหา เพ ร, ราะอาศัยการแสวงหาจึงมีการได้เพราะอาศัยการได้จึงมีความปรุงใจรักเพราะมีความปรุงใจรักจึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจเพ ร, ราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสยบ ม, มัวเมาเพราะอาศัยความสยบ ม, มัวเมาจึงมีความจัดอกจับใจ เพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงมีความระหนีพร้อมอาศัยความตระหนีจึงมีการห่วงกันเพราะอาศัยการห่วงกันจึงมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกันกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแย่งแย่งการวิวาท การกล่าวคบหยาบว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จทั้งหลายทำอันเป็นปาบาปอกุศลเป็นอเนกย่อมเกิดขึ้นพร้อมด้วยอาการอย่างนี้นี่ก็เป็นพระสุตรที่เกี่ยวกับเหตุของการทะเลาะเบาแบ้งการทะเลาะวิวาทนะ จะเกิดขึ้นเพราะว่าเราระ ง, งับตัณหาคือความอยากไม่ได้แล้วจิตจะเดินตามอาการนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นนะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาท น, นะโดยลักษณะของอเหตุของการทะเลาะวิวาทนั่นเองอน้องก้าวละน้องก้าน้องก้าอายุ4ี่ขวบนะ กายุสี่ขวบจะมาสาธทยายทำเรื่องอะไรเนาะพระสูตรไหนดีพ่อท่อค่ะาอะได้เอาไมตั้งตั้งติดติดผักนะอ่าเสียงออกอยู แสงออกแล้วครับหนูพูดไปได้เลยค่ะขอขออาัยโทษนะครับอาจารย์หนูพูดไปได้เลยครับน้องก้าอะไรประถุธรรมปถุธรรมอ่าฮะสิบห้าปาณาติปาตาเวรมณีคือนั้นปาณาติบาวิค่าจากปานาติบา วางค้นไม้และ ส, สัตาเสียแล้วมีความลายถือความเป็นดูกานุนาวางประโยชน์เกื้อกูลนบรรดาแะทั้งหลายอยู่อาชินาทานาะเวรมันนีคือนั้นละอาชินาทานเว้นขาดจากอาชินาทานที่เอาแต่ของที่เขาให้แล้ว หวังอยู่เต่ของเที่ยเขาให้ไม่เป็นขโมยมีต้นเป็นคนสาเป็นอยู่การมีสุมิฉาตราเวีละมันีเธอนั้ น, ร, น, นรันากการประพืติผิ์ในกรรมเป็นขาดดับการประพฤติผิ์ในกรรมในหญิง ซึ่งมารดารักษาผีดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงหญียารักษาอันทารักษาป็นจริงมีสามีหญิงอยู่ยในศิลไหนโดยที่สุดไม่หญิงอันเขามั่งไว้ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดกาลีไม่รู้แบบเหล่านั้น ภูสาวาธาเวรมณีเธอนั้นละภุสาวาตเป็นขาจากนภูสาวาพูดติพูดแต่ความจริงรักษาความสาตัตว์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ ไม่เก่งก่าให้ผิดต่อโลก ส, สุรามีระยะมาชับประมาณฐ า, านาะเวละมณนี <c oughs> เธอนั้นห็นขาดจากการดื่ม น, น้ำเมาคือสุราละเมรยัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาท ครบแล้วห้าคราอเรยอมากนะโอ้ยาวนะนี่ทรงจรมด้ไม่ธรรมดานะแล้วมีเยาวชนเก่งๆนี่หลายคนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอายุสี่ขวบนะน้ะําน้ำบุญก็เก้าขวบใช่ไหมปีนี้อ่า เราช่วยกันสอนเยาวชนให้รู้จากคำพระศาสดานะอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์มากนะ <c oughs> คำของพวกนั้นเป็นอนุสาสนิปฏิหารนั่นเอง <c oughs> ขอต่อสรุปที่พระสูตรเกี่ยวกับ พระศาสดาในแต่ละยุคแต่ละยุคนะจะสรุปให้ให้โยมฟังอย่างนี้ว่าจากจากยุคผู้เจ้าของเราเนี่ยถอยหลังไปในอดีตเนะก้าสิบเอ็ดกัปกับหนึ่งนี่นานขนาดไหนนะผู้เจ้าอุปมาว่าแท่งหินเนี่ยที่ทึบนะไม่กลงไม่โพร่ง ยาวหนึ่งโยชน์กว้างหนึ่งโยชน์สูงหนึ่งโยชน์ร้อยปีปรุตเอาผ้ามารูปทีหนึ่ง <c oughs> อีกร้อยปีบุตเอาผ้ามารูปอีกทีหนึ่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนแท่งหินนั้นราบเรียบพระองค์บอกนี้ยังไม่ถึงหนึ่งกับ น, นี่ประมาณของหนึ่งกับนี่91้กับ น, นานมากพู้เจ้านามว่าวิปัสสีได้ประสูติขึ้นมา ช่วงนั้นเนี่ยคนมนุษย์มนุษย์เนี่ยอายุ8 0 0 0 0ปีนะในช่วงนี้ของพระเจ้าองค์นี้จะมีการประชุมกันของพิสุเนี่ยสาวการนังสันนิปาโตเนี่ยสาครั้งครั้งหนึ่งก็คือ6 8ล้านแครั้งที่ 2,1,000 นครั้งที่38มแปดหมื่น <c> ะ <oughs> เอ่อทุกอันเนี่ยพระเจ้าไม่ได้พูดเรื่องของเอหิพิขุอุปสัมปทา ไม่ไม่มีคำนี้แต่บอกว่าเป็นพระขีนาศเป็นนารานขีนาศนะจากนั้นเนี่ยในยุคนี้ก็91กบกัปเนี่ยมีลูกเดียวคือพระพุทธเจ้าถัดมาจะเป็น31กบกัปนะใน31กบกัปเนี่ยจะมีพระเจ้าสองพระองค์พระองค์หนึ่งจะชื่อสิกขีนะอีกพระองค์จึงจะชื่อเวสภู องค์ชื่อสิกีเนี่ยอายุเจ็ดหมื่นปีประชุมกัน3มครั้งเหมือนกันครั้งหนึ่งครั้งที่1นึ่งหนแสนลูปครั้งที่สองแปดหมื่นลูปครั้งที่สามเจ็ดหมื่นลูปนะพระพุทธเจ้านามว่าเวสภูนะอายุหกหมืปีลดลงมานะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงขาลงของมนุษย์มนุษย์จะเสื่อมสิ้นธรรมมาเรื่อยเรื่อยเเรื่อยเอายุจะลดลงลดลงลดลงมา ผู้เจ้านามว่าเวสภูจะมีการประชุมกัน3ครั้งเหมือนกันครั้งหนึ่งแปดหมรูปครั้งที่สองเจ็รูปครั้งที่ส6มหกหมนรูปนะเก้าสิบกับมีผู้เจ้าองค์เดียว31กลับผู้เจ้าสองพระองค์นะจากนั้นเนี่ยผู้เจ้าจะเรียกว่าพัทธกัปละนะในพัทธกัปเนี่ยจะมี4องค์นะผู้เจ้าเราจะเป็นองค์ที่4นีะ่ในพัทธกัปนี้ พระเจ้าองค์แรกในพัฒกัพก็คือกัปุสันทะอายุประมาณสี่0 0 0่ปีนะประชุมกันครั้งเดียวนะมีภิกษุสี่หมื่นรูปที่ประชุมกันองค์ที่สองในพัฒกัพนี้หรือเป็นองค์ที่5้าที่พระเจ้ากล่าวถึงคือพระนามว่าโกนาคมะนะอายุสา0 0 0ืปีประชุมกันครั้งเดียวเหมือนกันภิกษุสามห0ื่นรูป พระเจ้าในพัฏกาองต่อมาช่อกัสปะประชุมกันครั้งเดียวเหมือนกันอายุสองห0ื่นปะีนะในครั้งเดียวที่มีการประชุมกันเนี่ยมีจำนวนพิสุสองห0ืนระูปนะสุดท้ายพระสมณโคโดมของเรานะช่วงอายุประมาณร0อยปีมีการประชุมกันครั้งเดียว1250หรูปนะ ดังนั้นเหตุการณ์นี้พระศาสดาเรียกว่าสาวกานังสันนิปาโตนะของยุคพูะเจ้าเราจะใช้คาว่าเอโกก็คือหนึ่งเดียวอโหสิคือมีมีสันนิปาโตสาวกานังหนึ่งเดียวครั้งเดียวแต่ถ้าพูะเจ้าองค์ที่มีสามครั้งก็เป็นตโยนะตะโยสาวกานังสันนิปาโตโหติมีการประชุมกันสามครั้งดัง น, นั้นตัว คีย์เวิร์ดของของตรงนี้ก็คือสาวกการังสาวกแล้วก็สันนิปาโตนี่มาประชุมกันนะให้เราทราบความสำคัญของเหตุการณ์ในวันนี้ว่า <c oughs> ไม่ใช่มีแต่พระศาสดาของเราอย่างเดียวคือมีตั้งแต่ในยุคพระเจ้าองค์ก่อนๆดัง น, นั้นเท่ากับว่าพระเจ้าเนี่ยย้อนอดีตไปรวนะมพระองค์ด้วยก็คือ7เจ็ดองค์เจ็ดพระพุทธเจ้า ในพระสูตรนี้ยังมีซ้ำกันในอีกพระสูตรอื่นนะทีะ่ผู้เจ้าเนี่ย <c oughs> ที่ผู้เจ้าไปเสด็จไปชั้นสุทาวาสแล้วเทวดาเหล่าสุทาวาสก็มามาเล่าประวัติให้ให้ผู้เจ้าฟังโดยการเล่าประวัตินั้นจะบอกเลยว่าข้าพระองค์เนี่ย เมื่อเกาสิบเ็จกับที่แล้วได้ประพฤติปฏิบัติในผู้เจ้าองค์นี้องค์นี้แล้วก็ได้มาเกิดในชั้นนี้นะสุดแตว่ว่าสุตาว่าอายุยืนยาวข้ามผู้เจ้าแต่และองค์แล้วก็อาจจะพูดพูดเหมือนกันเลยเป็นการเล่าของผู้เจ้า ว, ว่าเทวดามาเล่าให้พระ อ, องค์ฟังอย่างนี้อืมก็เป็นพุทธประนะเกันซึ่งจะตัดตรงกันนะว่า 31มบ็ดกับที่แล้วมีอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือแล้วองค์บอกว่าการมาเล่าการมาเล่าของของเทวดาเหล่าสุทธาวาสเนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยได้ไประลึกถึงนะพระเจ้าองค์ก่อนก่อนน เนี่ยทำให้ผู้เจ้าเนี่ยระลึกไปถึงพระเจ้าองค์คก่อนๆนะระลึกถึงทำให้รู้แม้โดยพระชาติพระนามพระโคดประมาณแห่งอายุแม้คู่ของสาวกแม้โดยการประชุมกันก็คือสาวการนังสันนิปาโตนะและโดยแม้เหตุอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นมีพระชาติอย่างนี้มีพระนามอย่างนี้มีพระโคดอย่างนี้มีศีลอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้มีวิหารธรรมอย่างนี้มีวิบูธอย่างนี้นะก็ละเลยการที่เทวดามาเล่าประวัติก็ทําให้ตัวท่านเองเนี่ยย้อนร ะ, ะลึกถึงอดีตไปเก้าบกัปที่แล้วนะแล้วก็เห็นจริงดํานั้นนะทำให้พระองค์รู้ว่า อ, อ๋อผู้เจ้าองค์ก่อนๆนั้นชื่ออะไรอะไรอะไร แล้วก็มีการประชุมกันยังไงมีพระชาติยังไงมีคู่สาวกยังไงยังไงนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่ว่าเราจะยังความพอใจให้กันและกันทั้งสองฝ่ายได้ถ้าคนพยากรก็รู้คนรับฟังการพยากรก็รู้แต่ถ้าเราฟังไปฝ่ายเดียวเราเชื่อฝ่ายเดียวของการพยากรเนี่ยโดยทั่วๆไปผู้เจ้าก็มักจะไม่พยากรให้เพราะผู้เจ้าบอกว่า เราจะไม่ยังความพอใจให้กันและกันทั้งสองฝ่ายได้อย่างนี้นี่ก็เป็น เ, เรื่องของเหตุการณ์ที่ที่จะที่ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะในครั้งผู้จ้าองค์ก่อนๆนะดังนั้นในความสำคัญในวันนี้ก็คือมีการประชุมกันของหมู่พิสุพุะหันและวผู้จ้าก็ได้แสดงธรรมที่เป็น เรียกว่าเป็นเบื้องต้นของพรมาจันทร์นะคือตัวปาทิโมที่ใจความสำคัญคือให้มีความอดทนขันติมีความอดทนนะเป็นความนะเป็นตะบะอย่างยิ่งมิตพานเป็นธรรมอย่างยิ่งนะบันปชิกจะไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นการไม่ทำบาป ก, การทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องใสนะ แล้วต่อด้วยว่าการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายนะสํารวมในปาฏิโมกษ์านะำมันเป็นเบื้องต้นของพระมจรรย์นั่นเองรู้ประมาณในการบริโภคอยู่ในเสนาสนะที่สงัดและประกอบความเปลี่ยนในอัธิจิตในจิตอันยิ่งนะนี่ก็จะเป็นคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยสั่งสอนพิสษุเมื่อมีการมาประชุมกันของปารคีนาศ สิ่งที่อยากให้ทราบในวันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความศรัทธานะเราได้พบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้แบ่งระดับของศรัทธานะในภาษาไทยเราก็มักจะพูดแต่ว่าศรัทธาศรัทธาแต่เวลาลงไปชี้ชัดเนี่ยพรเจ้าจะใช้คำที่ต่างกันในศรัทธาลักษณะเบื้องต้นเนี่ยพระเจ้าจะใช้คำว่าเรื่มใส่นะ สะดัของโซลารบันเนี่ยนะโซลาร์ปฏิมาศเนี่ยก็จะใช้คําว่าอภิปสัสสนโนเริ่อมใสอย่างยิ่งเริ่อมใสอย่างยิ่งในใครในตถาคตตถาคเตเอกันตคตโตอภิปสัสสนโนนะปะสัสสนโนปสัสสนะก็คือเริ่อมใสอภิก็คืออย่างยิ่งนะเอกันตคโตนะก็คือไปส่วนเดียวตถาคเตก็คือในตถาคตเลื่อมใส ไปส่วนเดียวในตถาคตเื่มใส่อย่างยิ่งไปส่วนเดียวในตถาคตไม่มีคนอื่นไม่มีสมณะเทพมารพรมใดๆในโลกจะชักนําศรัทธาเราออกไปจากพระตถาคตไดนะ้ดังนั้นผู้ที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นโสดาบันก็จะวางแล้วจากศาสนาอื่นจากสมณะเทพมารพรมอื่นๆทั้งหมดก็นะจะมั่นคงในตถาคตผู้เดียว อีกคำหนึงพระองค์อยู่ในระดับเดียวกันจะใช้คำว่าเอาเวจจับปัสาเทนะปะสาเทนะปะสาทะก็คือเลื่อมใสนะเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพุทธเทธ ร, รมเมสังเเคสนะนี่ก็เป็นระดับโสดาบันนะท่นี้เลื่อมใสอย่างเนี้ยมีลักษณะยังไงเจ้าสักยะมหานามะบอกว่าถ้าเหตุการใดเหตุการหนึ่ง ถบังเกิดขึ้นในธรรมนินัยนี้เนี่ยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องเป็นฝ่ายหนึ่งภิกษุทั้งหลายต้องเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะเลือกพระพุทธเจ้า shipping. ถ้าพระเจ้าเป็นฝ่ายหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะเลือกพระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นฝ่ายหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายอุบาสกทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหลายสมณะเทพมารตรมใดๆในโลกเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยังจะเลือกพระพุทธเจ้า เห็นไเขาก็เลยบอกพระเจ้าว่าขอพระองค์โปรดทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นผู้มีความเลื่อมใสอย่างนี้เชื่อแน่นอนว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสัพพัญญุตรัสรู้จริงพูดถูกทั้งหมดไม่มีข้อผิดพระเจ้าจึงบอกว่าอริยบุคคลเนี่ยแม้ตาถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัย เขาจะไม่สงสัยไม่เคลือกแคงในตถาคตหรือคาสอนของตถาคต น, นี่คือลักษณะของความเลื่อมใสนี่ระดับเบื้องต้นน ะ, ะจะใช้คำว่าอภิปสันโ น, นเขาเกิดขึ้นมาเมื่อมีความเลื่อมใสแล้วบุคคลนั้นจะปาราศกความเพียรจะสั่งสมสุตตะจะฟังคาตถาคตมากเขาจะรู้แล้วว่าเขาควรจะฟังคาไกลเขาจะเสพครบธรรมะของตถาคตสั่งสมสุตตะฟังมากนะ นี่เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาว่าเอ๊ะศรัทธาในศรัทธาจริงหรือเปล่ามีการปรารบความเพยรนละอกุศลสร้างกุศลให้เกิดขึ้นนะจะเป็นผู้ทำสิ่งให้บริบูรณ์นะระหว่างที่เขาเนี่ยเลื่อสายแล้วแล้วเขามีการปรารบความเพียนกระทําขึ้นมาอย่างนี้พระองค์จะเรียกตรงนี้ว่าสัทธาสหิก็คือศรัทธาเริ่มใช้คาว่าศรัทธาลนะ พอเขาไปลดความเพียรไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้ต่อเนื่องไปจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระรหลานกูเจ้าจะใช้คําว่าอภิสัทธหาหติคือศรัทธาอย่างยิ่งนะดังนั้นถ้าภาพรวมตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเบื้องปลายถึงพระหลานนี่นะก็คืออภิปสัสสนโนเริ่มใสอย่างยิ่งศรัทธาศรัทธาอย่างยิ่งนะนี่ก็ให้เราทราบของ ระดับของศรัทธาที่พระศาสดาได้แบ่งเอาไว้โดยลักษณะของคำที่ชี้ชัดลงไป <c oughs> ให้เราทราบว่าพระศาสดาเนี่ยอธิบายลักษณะของผู้มีศรัทธาซึ่งทุกคนอาจจะบอกว่าโอ้เราศรัทธาพระพุทธเจ้านะแต่ออกจากบ้านก็ แถมสารพระภูมิหน่อยสารพระภูมนิดหนึ่งสารเจ้าที่หน่อยนี่โดนดึงศรัทธาไปแล้วนะ น, นี่นะดังนั้นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาเป็นอย่างไรนะผู้ชาก็ไล่เลี้ยงไปตั้งแต่การที่เขาจะเป็นผู้มีศินบริบูรณ์นะเขาจะสั่งสมสุตตะในคำ ต, ตาคตมากนี่เขาจะเป็นผู้ว่าง่าย อดทนยอมรับฟังคำสั่งสอนโดยความเคารพหักแน่นเขาจะเพียรที่จะละอกุศลสร้างกุศลขึ้นมานะเขาจะเป็นผู้ที่คบมิตร ด, ดนะนะีเขาจะพยายามทำสมาธิเข้าชานหนึ่งสองสามสี่ไล่เรียงมาจนกทั้งถึงการสิ้นอาสวะนะนี่เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาดังนั้นเราก็เอามาตรวจตัวเรา啊 เอาแค่เบื้องต้นเนี่ยเราบอกเรามีศรัทธาเรามีลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาจริงหรือไม่นะอ่าเนี่เอาไว้ตรวจสอบตัวเองนะอ่าศีลจะต้องดีจะต้องฟังคำตถาคตนะไม่ฟังคำคนอื่นแลนะนะวาง <c oughs> ต้องเป็นผู้ว่า ง, ง่ายนะต ถ, ถาคตบอกอะไรก็จะเดินตามทตามๆๆ ต, ต, ตอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็อย่างที่เจ้าสักยะบอกนะอันนี้จะทำให้เราเห็นชัดเลยว่านะความเป็นสาวกเนี่ยถึงแม้จะทั้งหมดเลยนะก็ไม่เทียบชั้นพระปื้มีพระภาคเจ้าดังนั้นพ ร, ระสาวกทุกรูปเนี่ย ประพฤติตามเดินตามพุทธวจนะคาที่ออกจากปากพระศาสดาศา ส, สนาเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดเลยจะไม่มีกลุ่มมีก้อนไม่มีสายไม่มีนิกายอะไรเราจะใช้แต่คาของพระศาสดาของเราเราจะทรงไว้แต่กัลยาณวัตรวัดอันงดงามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าปัญญัน <c oughs> และโยมจะไปกี่วัด กิ่ที่ก็ตามก็จะเหมือนกันทั้งหมดว่าพระจะสอนเหมือนกันคือจะเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตนะดังนั้นการเป็นทายาทแห่งธรรมะตะถาคตก็คือเราจะพูดคําตถาคตอาจารย์ของเราเก่งที่สุดชื่อเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะสมณะโคโดมหรือตถาคตผู้หลั่งตะสัมมาสัมพุทธนะทุกคนจะชูคนเดียว เพราะว่าครูเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์กว่าจะเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นได้ยากมากที่เหลือเนี่ยเป็นสาวกทั้งนั้นคำพันสาวกแปลว่าผู้ฟังคําสอนหรือผู้ฟังคําบัญญัติบัญญัติจากพระศาสดานั้นผู้ฟังคําบัญญัติจะมาบัญญัติอะไรได้ไหมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นผู้ฟังคําบัญญัติหรือผู้ฟังคําสอนเป็นผู้ฟังอนุา ส, นสาสนีศาสนีศาสนางแปลว่าคําสอน ดังนั้นฐ า, านะของสาวกคือเป็นผู้ฟังคำสอนเท่านั้นนะเพราะองค์จึงบัญญัติว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว จักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นนะนีก็เป็นสิ่งที่พระองค์ฝากไว้กับภิกษุทั้งหลายนะจะเป็นภิกษุผู้ปัญญา ว, วิมุตต์ก็ตามนะจะเป็นภิกษุที่เป็นอริยบุคคลขั้นต้นก็ตามหรือเป็นปุถุชนอยู่ก็ตาม เราทั้งหลายเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากปากตถาคตนะถูกเนรมิตโดยธรรมนะเป็นทายาทโดยธรรมถ้าเขาถามว่าเธอเป็นใครให้เธอตอบว่าเราเป็นสมณะสากยะปุตติยะเป็นบุตรของสมณะในสากยะตระกูลอย่างนี้แล้วเราก็จะ เกิดสังคสามคีกันทั่วโลกด้วยพุทธปจนะคำที่ออกจากปากของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรง <c oughs> สิ่งที่อยากให้ทราบอีกอย่างคือเรื่องของกรรมเราก็อยากหมดเวรหมดกรรมกันเนา ะ, ะแต่เราหมดเวรหมดกรรมด้วยวิธีอันถูกต้องหรือไม่นะ สมณพรามเหล่าอื่นในครั้งพุทธกาลเขาก็อยากหมดเวรหมดกรรมเหมือนกันปารัตวาชาซาชาลุโซนีนะเขาก็ไปบูชาไฟนะก้มกราบลงที่แผ่นดินบ้างก็ไปบูชาน้ําเดินลงสู่น้ําในเวลาเช้าของวันเย็นนะเอาน้ํามาอาบเอาน้ํามาราดตัวแล้วก็บอกกรรมหมดแล้วนะบ้างก็เอาน้ําโคไมสดลาดไปที่พื้นดิน บางก็ปูพื้นดินด้วยยากุสาสีเขียวนะบ้างก็บูชาเทพบูชาพรมบ้างก็บูชาสวนป่าศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ภูเขารุกขเจดีมีหลากหลายมากแต่พระศาสดาบอกว่านั่นไม่ใช่วิธีแก้กรรมหรือวิธีปรงบาปเลยไม่สำเร็จเ <c oughs> พราะองค์งเปรีบเหมือนบุรุษ ต้องการน้ำมันแต่เอาเมล็ดทรายไปเกลีย่ยเกลี่ยลงในรางปักพรมน้ําแล้วเอามือคันเม็ดทราย <c oughs> เขาก็จะไม่ได้น้ํามันแต่ถ้าเขาเอาเมล็ดงาไปเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ําแล้วเอามือคันเมล็ดงา <c oughs> เขาก็ต้องได้น้ํามันถึงจะหวังก็ได้น้ํามันถึงไม่หวังก็ได้น้ํามันถ้าตราบใดที่เขาอย่างสร้างเหตุปัจจัยถูกต้องนะดังนั้นถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยที่ไม่ถูกต้องในการ เข้าถึงความดับกรรมกรรมก็ดับลงไปไม่ได้ดังนั้นเรามาเรียนรู้พุทธวัจจานี่เพื่อต้องการสัตว์จากความจริงอะไรคือความจริงพ้นจากกรรมจริงๆได้ยังไงเข้านิพพานจริงๆได้ยังไงสมณะพราหม์ทั้งหลายเขาก็ประกาศนิพพานกันทั้งนั้นประกาศความพ้นทุกข์กันทั้งนั้นแต่พ้นทุกข์ได้จริงหรือเปล่าหนทางเขาเป็นหนทางเข้าสู่ความพ้นทุกข์อมตะธรรมจริงหรือไม่ซึ่งพุทยเจาบอกแล้วว่า มักมีองค์ดเส้นทางเดียวเท่านั้นที่จะเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้เส้นทางอื่นไม่มีดังนั้นถ้าเราเชื่อในการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าวิธีแก้กรรมวิธีเดียวที่พระองค์จัดไว้คือมักมีองค์8พระองค์บอกว่าอาริยะอัดถังคิกมัคนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรธาคาไม่มีปฏิบาัา อริยะคือประเสริฐอัดถังคือแปดคิกามะคือหนทางหนทางแปดทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรธนะกรมนิโรธคือดับคามินิปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมนะไม่เคยจัดวิธีอื่นเลยนะดังนั้นถ้าอยากจะพ้นกรรมนะช่วยเอามาเล็ดงา ม, มาเกลี่ยลงในรางกันด้วยนะยาโมไปคันมล็ดใายอยู่เลยไม่เกิดประโยชน์ พราศาสดาของเราเนี่ยต่อสู้มากับเรื่องนี้ตลอดทั้ง45ปีของการเทศนาสั่งสอนตั้งแต่คืนตรัสรู้ถึงคืนปรินิพานเราต้องช่วยกันทรงไว้ซึ่งกัลยะาณวัตรวัดอนดุตวัดอนุตงามที่พระองค์ได้บัญญัติเอาไว้ซึ่งพระองค์ก็ตื่นเราว่าอย่าเป็นคนสุดท้ายนะพระวัดอนุตงามของพระองค์จะค่อยๆสูญไปบอกกับพระอ น, นุ์ว่าอ น, นุ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 เราก็พยายามไม่เป็นคนสุดท้ายในพระธรรมคาสอนของพระองค์ด้วยการถ่ายทอดคําของพระองค์ออกไปถ่ายทอดพุทธวจนะนะให้คนรู้จักพุทธวจนะนะให้คนได้ยินได้ฟังพุทธวจนะต้องเชื่อว่าถ้าใครได้ยินได้ฟังคําของพระต ถ, ถาคตศาสดาของเราบรรลุธรรมแน่นอนเป็นโอกาสดีแน่นอนนะเป็นเหตุปัจจัย ให้เขาต่อไปได้ในพบหน้าชาติหน้าแน่นอนนั้นเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะเผยแผ่พุทธวจนะคำที่ออกจากปากพระตถาคตโดยตรงเพราะเราเชื่อว่าไม่มีคำของใครเลิศไปกว่าคำของพระตถาคตอีกแล้ว <c oughs> ด้วยเหตุปัจจัยหนับ ต, นต้นก็คือจำไปก่อน เข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรจำไปก่อนนะจากการจำได้เดี๋ยวมันจะเอาไปคร้ควรเองเพราะการทรงจำเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรมสิบสองขั้นตอนยมจะคข้ควรอะไรได้มันต้องจำได้ก่อนเราจรึงสร้างเยาวะช น, นนะให้ท่องบทให้ไดนะ้อยู่ในหัวให้ได้เหมือนท่องสุดคูนายมท่องไปก่อนเดี๋ยวดีเองนะอเดี๋ยวไปใช้ได้เองเดังนั้น พระองค์บอกว่าเมื่อทรงจําได้แล้วเนี่ยก็เอาไปให้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้ทำทั้งหลายจะทนต่อการพิงพิสูจน์ฉันท่าความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีสันทะย่อมมีสาหะผู้มีสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไวในธรรมนะเราจะสามารถรู้ตามสัจธรรมและบรรลุธรรมได้นะจากการฟังมากๆบ่อยๆจําได้ ใครควรนะแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นแล้วก็สามารถปรรลุทำนะ <c oughs> ดังนั้นพุทธวจะนะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะสำคัญมากๆนะ <c oughs> <c oughs> อย่างน้อยการเป็นปุถิชนผู้ได้สดับ <c oughs> แค่ได้ฟังอย่างเดียวนะยัง ไม่คล่องปากขึ้นใจแต่ได้ฟังเรียกว่าปุถุชนผู้ได้สดับประโยชน์อย่างไรพระองค์บอกว่าถ้าเขาทําสมาธิได้เมื่อตายไปเนี่ยจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานะเขาจะเป็นอริบุคคลเป็นเทวดาที่เป็นอริบุคคลซึ่งจะประลิพทานในภพนั้นนะนี่แค่ได้สดับน ะ, ะได้สดับบวกกับทํำสมาธิได้ จะขยับขึ้นไปนะเป็นอริบุคนในภพของเทวดาแต่ถ้าได้สดับกร่องปากขึ้นใจประกันให้อีกว่าคาสติเวลาตายก็หลุดไปเป็นเทวดาแน่นอนและจะได้บรรลุธรรมในภพเทวดาแต่ถ้าจำได้นะแล้วเห็นการเกิดดับจะขยับไปเป็นเทวดาชั้นสุทาวาสแล้วจะประินผ่านในภพนั้นหรือสาเร็จมรรคผลเป็นพระลาหน นะดังนั้นการฟังพุทธวจนะมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษเลยโอกาสในการได้ฟังคำตถาคตก็ยากแสนยากมากโอกาสที่ยมจะเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็ยากที่เปรียบเหมือนเต่าต า, ตาบอดนระ้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งจะเจอแองไม่พ่ายแล้วยืดคอเข้าไปในรูไม้ซึ่งมีรูเดียวนะซึ่งถูกทิ้งลงมาในขณะที่น้าท่วมโลกทั้งใบ มันยากมากเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะเจอพระพุทธเจ้ามาตัดสัูแล้วผู้เจ้าจะแสดงธรรมนะไม่เป็นจังหวะที่ง่ายดังนั้นผู้เจ้ามองตลอดสังสารวัตรเนี่ยในสังสารวัตอันยาวไกลเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่จะเกิดเป็นมนุษย์จังหวะเจอผู้เจ้าพอดีแล้วผู้เจ้าแสดงธรรมแล้วพระธรรมคําสอนอยังคงอยู่แล้วเขาได้ยินได้ฟัง มันมีโอกาสน้อยมากดังนั้นในชีวิวของเราที่เป็นอยู่ณวันนี้อย่าให้เสียโอกาสเวลามันผ่านมาสามสิบสี่สิบห้าสิบปีผ่านไปเรื่อยเรื่อยือยชีวิตเราเหลือสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆนะ <c oughs> อย่าให้เสียโอกาสของการเกิดมาเป็นมนุษย์ขอให้พยายามเนี่ยฟังคำถตาโคตมากๆ ปาราบความเปลี่ยนให้มากเพื่อให้เข้าถึงอมตะธรรมคือความไม่ตายให้ได้ได <c oughs> ใ, ใครจะแสดงความเห็นอะไรบ้างไหมนะ <c oughs> อืะอฮะ วันนี้ผมจะมาท่องพระสูตรให้เพื่อนฟังวันนี้ผมชวนเพื่อนมาด้วยวค <c oughs> ก็เป็นพระสูตรจากพบภูมครับตะคนะครับเรื่องโอกาสเกิดเป็นมนุษย์นันยาภิกษุทั้งหลายถ้าสมมติว่ามหาปตพีอันใหญ่หลวงนี้มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมด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 เธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนี้เธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจะเป็นไปได้ไหม่ที่ต่าตาบอดร้อยปีจึงพึงจึงจะผุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นข้อนี้ยากที่จะเป็นไปได้พระเจ้าค่าที่เต่าตาบอดนั้นร้อยปีผุดขึ้นเพียงครั้งเดียวจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้น ภิกษุทั้งหลายยากที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่ใครไปจะพึงได้ความเป็นมนุษย์ยากที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่ตถาคตผู้อรหะตัสัมมาสัมพุทธะจะเกิดขึ้นในโลกยากที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่ทําวินัยอันตถาคตประกาศแล้วจะลุ่งเลืองไปทั่วโลกภิกษุทั้งหลายแต่ว่าบัดนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วตถาคตผู้อรหัตัสสัมมาสัมพุทธะ ก็บังเกิดขึ้นในโลกแล้วและทำมิำมไ้ในอันตรถาคตประกาศแล้วก็ลงดงไปทั่วโลกแล้วภิสูจทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้เธอเธอทั้งหลายพึงกระทําโยคกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้หนทางนี้ความดับแห่งทุกนี้หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกดังนี้เถิด <c oughs> ก็ผ ม, ผมชวนเพื่อนมาจากโรงเรียนนะครับก็ตอนอยู่โรงเรียนผมก็ให้เขาท่องพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งครับกราบถมธรรมเป็นกฎธรรมชาติวันนี้เขาก็จะมาท่องด้วยเหมือนกันก็<อ>เป็นเป็นบาลีด้วยภาษาไทยด้วยครับกฎธรรมชาตินะอิทปัจจ ย, ยตอิทปัจจ ย, ยต ยมัสมาหิงสติอีทังโหติเมื่อส <sh arp> ิ่งน <to> <t> ี้มีสิ <to> <mid ori> ่งนี้ย่อมมียิมัสถะอ่ะยิัสถะเออยยิมัสุปาฏาอีทางอุปชติเพราะว่าเกิดขึ้นในสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นอิมัสมิงอัตติอีทางนั้โหติเพราะว่าน้าไปเอ้ยหรือเปล่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมไม่มียิมัสถะนิโรธายิวัสถะนิโรธาเนี่ อีทางนี้รูปคาติเพราะว่าเราไปสิ่งนี้สิ่งนี้ก่นตาไปต้องซ้อมใหม่แล้วนะอาจจะอ่อนซ้อมไปนิดนึงต้องให้น้องกล้าไปเป็นเทนเได้มึงนี่ยอ่ม ตอนนี้ก็ในบุ๊ดเดิ้ t เน็ตเท่าไหร่แล้วนะบุ Buddha ๊ดเดิ้ลเน็ตพุทธภระเน็ตเวิร์กที่เรา <c oughs> สร้างให้เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาคำตถาคตนะปฏิบัติตามคำตาถาคตและเผยแพร่คำตาถาคตออกไปนั้นเนี่ยได้ลงพิกัดของตนเองในแผนที่ของ Google นะดังนั้นทั่วโลกนี้ตอนนี้มีหนึ่ง หนึ่งพันสามร้อยสิบห้าสถานที่นะจากสามสิบสองประเทศทั่วโลกนะอันนี้คือภาพของในประเทศไทยน ะ, ะก็จะเห็นว่ามีทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางใีค่อนข้างแน่นนะก็ภาคใต้น ะ, ะให้เห็นภาพรวม น, น ะ, อ, ะอันนี้เป็นภาพรวม นะมีไปทั้งทางญี่ปุ่นทางฮ่องกงมีไปทั้งที่าทางทวีปยุโรปแล้วก็ที่ทวีปอเมริกานะาได้ศึกษาพุทธิชนะกันว่าเราถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไปทั่วโลกแล้วบางคนก็ซุ้มฟังอยู่สองสมปีโผล่มาเอา๊ะคล่องจังเลยคนนี้ฟังอยู่หลายปีแล้วนี่นะนะไม่เคยเจอหน้าเลยา น, นานๆได้มีโอกาสมานะ ยังในยุโรปนี่ก็ค่อนข้างเยอะนะนี่อังกฤษนะกี่ที่บ้างนี่ลงด้วยความสมัครใจกันทั้งนั้นนะก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันน ะ, นะลองดูสักที่หนึ่งที่ลอนดอนนะมีใครบ้างอยู่ที่นี่นะนี่โชคดีเน็ดเร็วนะเนี่ย เหน็ดช้าอะไรแย่เลยอ่านีก็นะงั้นเราจะลงเราก็พยายามหาเนี่ยมีชื่อนะมีอีเมลเบอร์โทรนะเราหาหลังคาบ้านเราให้เจอนะอ่าแล้วก็อ่าเลื่อนหมุดให้ตรงกับหลังคาบ้านแล้วก็กดบันทึกไปนะเราก็จะเป็นหนึ่งในสิทธิของรัฐาโคสที่ช่วยกันประกาศคำสอนทำขึ้น่อเป็นกำลังใจของพวกเรา ว่าเ อ, อถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็มีคน อ, อในโลกนี้เปลี่ยนจํานวนมากอยู่นะเปลี่ยนตามตถาคตแล้วก็ทําเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการที่โยมจะไป อ, อในต่างประเทศหรือต่างจังหวัดแล้วอยากจะหาคอเดียวกันคุยกันอย่างนี้ อ, อก็จะได้ อ, อโทรไปหาอีเมลไปหาคุยกันได้นะลองไปดูที่หนังสกาณนะ <c oughs> อเมริกาตอนนี้กำลังจะจัดงานพ <c oughs> นะุทธประณะขึ้นมานะที่แคลิฟอร์เนียนะในโอกาสของอช่วงสงกรานต์ปีใหม่ไทยที่จะถึงบอกว่าเร็วแป๊บเตียช้าเลย ที่ทางแคลิฟอร์เนียก็กำลังรวมตัวกันนะเป็นกลุ่มก้อนเห็นว่าขยายตัวไปค่อนข้างรวดเร็วนะอย่างถ้าเรากดไปก็จะเจอนะที่อยู่ที่ติดต่อน ะ, อะลอดูคลสเข้าไปใกล้ๆนะมีของใครบ้าง้าไปที่ที่สักที่หนึ่ง ก็จะจะหลงวิกัดที่อยู่ของเขาอันนี้เราไปเที่ยวเมืองนอกได้ทางทางภาพไปเนาะอืนี่เขาใส่ภาพของเขามาให้เราชมว่ามีใครบ้างนะแล้วก็มีใส่ความเห็นอะไระลองเล่นไปดูภาพรวมที่ <c oughs> ก็ได้ใช้ประโยชน์ไป พอสมควรนะผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศจะไปพักที่วัดว่าอารามต่างๆก็จะสามารถหาสถานที่ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะ <c oughs> วันนี้วันพิเศษจะแจกหนังสือพระภูมิให้นะ <c oughs> <laughs> แจกหนั ง, งสือกบภูมิแล้วก็แผ่นยอดทิศ ต, ตอนนี้ก็บงังไซได้รวบรวมธรรมบรรยายดีๆที่คนฟังแล้วเข้าใจแล้วก็รวมเรื่องยากยด้วยปฏิจจ์เรื่องง่ายกับเรื่องยากคู่กัน แล้วก็แผ่นภาพสิบก็สูตรว่าทำไมจะต้องเป็นพุทธวจนะโดยเหตุผลของพระธถาคตน ะ, ะแล้วก็นังสือ พ, บพุบภูมิพร้อมกับที่ขั้นนังสือนะเอาไว้ใหนะ้ในนังสือ พ, บพุบภูมิเนี่ยเราต้องอ่านละเอียดละเอียดหลายๆรอบเพราะว่าจะมีประโยชน์มาก มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ของพระศาสดาในไสยอยู่ในนั้นอย่างสิ่งที่เราเราจะได้ก็คือเรื่องที่เรามักจะไม่เคยได้ยินคือการถวายทานแล้วได้เป็นอริบุคคลแค่ให้ทานแล้วเป็นอริบุคคลเนี่ยมันทําได้ยังไง <c oughs> ทําได้โดยการวางจิตให้ถูกต้องภาษารีบุถามพระพุทธเจ้าว่า ให้ทานยังไงเนี่ยจึงจะเกิดผลใหญ่และอันนิสงใหญ่และให้ทานยังไงจึงเกิดผลใหญ่แต่ไม่มีอันนิสงใหญ่คุณนพะ่อเขาจะแยกแยะใหนะ้ถ้าให้ทานในลักษณะนี้จะแค่ผลใหญ่ไม่มีนิสงใหญ่บอกสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยมีความหวังผลให้ทานโดยมีจิตผูกพันในผล ให้ทานโดยมุ่งการสังสมให้ทานโดยคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้นะอันนี้แค่ผลใหญ่นะโยมน ะ, ะผลใหญ่คือได้อะไรได้ไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าจารุมหาราชิกะเขาสิ้นกรรมสิ้นลธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ก็กลับมาสู่สังสารวัตต่อไปนรกเปรตไดชานเปรวิสัยดังนั้นถ้าโยมวางจิตอย่างนี้ คือหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสังสมนะคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้พวกนี้จะอยู่แค่นี้ขึ้นมาระดับอีกระดับหนึ่งสูงขึ้นคืออย่างไรสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสังสมไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้ แต่คิดว่าให้ทานเป็นการดีนี่ขยับขึ้นมาชั้นราวดึงนะแต่สิ้นกรรมสิ้นฤลิ์สิ้นยอดหมดความเป็นใหญ่ก็ต้องกลับมาสู่สังสารวัตเหมือนเดิมไม่พ้นนรกก็ในชานไปวิสัยก็ได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอนิสงส์ใหญ่ <c oughs> อีกผู้หนึ่งก็บอกว่า <c oughs> ให้ทานไยเหอะปู่ย่าตายายเคยทำมาทำไปพวกนี้ก็ขยับมาเป็นเทรดาเหล่ายามาสูงขึ้นมานิดหนึ่ง แล้วก็ยังกลับมาสู่สังสารวัตขยบขึ้นไปอีกนะก็คิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้นะการจะไม่ให้ทานแก่สมณะผู้ไม่หุงหาไม่สมควรเอ่ะให้แล้วกันเราหุงหาได้ท่านไม่หุงหาก็ขยบขึ้นมาอีกนะมาเป็นเทวดาเหล่าดุสิตแต่ตายแล้วก็ไม่พ้นนรกนะกลับมาสู่สังสารวัตเหมือนเดิมอีกเพวกหนึ่งก็ คิดว่าไม่หุงหากินเหมือนกันนะสมณะไม่หุงหากินแต่คิดว่าทำเหมือนฤาษีที่แจกทานในครั้งก่อนขยับขึ้นมาอีกพวกคิดว่าให้ทานแล้วจิตจะเริ่มใสนะเกิดความปลื้มใจสมณะใจพวกนี้ก็ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้อันนี้สมใหญ่ทํำยังไงจึงจะได้อันนี้สมใหญ่ <c oughs> ไปดูการวางจิตครั้งสุดท้ายที่พระองค์บอกไว้ ไม่หวังผลไม่มีจิตผลกปันในผลมิย่อไว้นะแต่ว่าให้ทานโดยเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนะเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าพรห ม, มกายิกาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาคือไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้นะอานาคามีอาคาเมีคือต้องกลับมาอานาคามีคือไม่ต้องกลับมาก็เป็นอริรบุคคล แล้ก็ปรินิพานได้นี่แค่การให้ทานนะซึ่งจะสอดรับกับคุณสมบัติ <c oughs> ที่พระองค์ตัดไว้กับช่างไม้ที่บอกเกี่ยวกับเรื่องทานนี้เหมือนกันนะตรักับช่างไม้ว่าโสราับาังเป็นยังไงช่างไม้มั่นคงไงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างแล้วนะอย่างที่สี่คือมีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมลทิน มีจาค้าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการเสียสละควรใจการขอยินดีในการจำแนกทานอยู่คลองเรือนอยู่คลองเรือนก็เป็นอารียบุคคลได้ถ้ามีการให้ทานด้วยการวางจิตแบบนี้คือละความตระณีดังนั้นทําเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต <c oughs> ปรุงแต่งอย่างไรก็คือให้ละความตระหณีนั่นเอง ก็จะมาเข้าสู่ภูมิธรรมของความเป็นพระโสดาบันบวกกับมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างนะประกอบพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเนี่ยอาเวจับปัสสาเทนะนะพุทเทธรรมเมสังเคและก็ลัวความตันนีมีจาคะการให้โสดาบันช่างไม้ทั้งหลายอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมนะลองเล่นขึ้นไปสี่ประการเหล่านี้ ย่ำเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาเป็นผู้ทีิ้งแท้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้ามีประโยชน์ทั้งนั้นเยอะดั น, นั้นในหนังสือพระพุทมิจะบอกให้เรานะในทุกๆเรื่องนว่ากรรมทําอะไรจะได้ไปเป็นกษัตริย์มหาสาลพระมหาสาลข้าบรีมหาศารไปเป็นเทวดาชั้นไหนทํากำรรมาลายไปเป็นเปรตพิสัยไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นเดรัชาน และทำกันอย่างไรจะพ้นจากการเกิดทั้งปวงเข้าติมักผลพิพานดังนั้นถ้าวันใดวันหนึ่งยมบอกเบื่อและสั่งสารวัตอยากจะพ้นจากสั่งสารวัตก็อันนี้ได้นะมรมีองแปดนะอริมรมีองแปดเท่านั้นนะเป็นหนทางเข้าสู่ความดับไม่เหลือแห่งกรรมสิ้นกรรมนะ พะศาสดาของเราบอกทางออกไว้หมดแล้วนะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวกรรมไม่ต้องห่อต่อกรรมนะเราเอาชนะกรรมได้นะรู้สึกคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ากรรมมันน่ากลัวมันรุนแรงมันเลวร้วายมากนะแต่เราสามารถเอาชนะมันได้นะรู้จักมันให้ดีถอนอุปทานจากมันนะแล้วเราจะพ้นจากระบบของกรรม ขันหาเป็นระบบของกรรมถ้าเราถอนอุปทานจากขันห้ากรรมไม่มีนะในนิพพานไม่มีกรรมไม่มีขันห้าจริงไม่มีกรรมเราไม่ต้องรับกรรมอีกต่อไปนะอันนี้ก็บอกบอกประโยชน์ของนะพุทธวิชชาในเรื่องเกี่ยวกับภพบภูมินะ เลยเวลาสายมากแล้วนะเดี๋ยวเราจะได้อทานอาหารกันแล้วฟ้จะได้ตักอาหารพระอาจารย์คะขอโอกาสค่ะพอดีถาเชื่อญาติธรรมสําหรับเย็นนี้ไม่ทราบว่าเย็นนี้ที่วัดเรามีกิจกรรมอที่จะร่วมกันในวันมาฆบูชาไม่ทราบว่าพระอาจารย์มีจัดกิจกรรมอะไรยังไงบ้างคะเผื่อญาติธรรมอยากเข้ามาร่วมเย็นนี้ค่ะเออ ช่วงช่วงหลังฉันนี่ก็จะหลังฉันแล้วก็สนานาธรรมกันไปอย่างนี้อ่าสักชั่วโมงสองชั่วโมงได้นะเรก็หลังจากนั้นก็จะพระจะช่วงประมาณบ่ายบ่ายีพระจะอ่าลงปฏิโมกนะก็จะสวดกันที่สนามข้างหลังศาลาไมานะ้เนี่ยเผื่อพวกเราถ้าอยู่ก็อ่าได้ฟังปฏิโมกันได้พอปฏิโมกเสร็จก็อ่าสนานาธรรม ต่อได้ถ้ายังมีญาติโยมอยู่ <c oughs> ส่วนต้งหัวค่ำแล้วแต่ใครจะสะดวกจะมาประพุติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือจะมาเดินจงกรมกระทำประทักษิณก็ได้ก็ได้แต่สะดวกกันก็เป็นกิจกรรมในวันนี้นะพอได้นะท่ า, าอจากครับอันนี้ก็ต้อง บอกว่าเป็นโอกาสอันเดียนะคะที่ชาวพุทธบางคนก็เป็นชาวพุทธที่อยากทําบุญอยากฟังธรรมเพียงแต่ว่า<ม>พอไม่ถึงเวลาโอกาสวันสําคัญเพื่อรู้สึกว่าไม่สะดวกไม่มีความพร้อ ม, มวันนี้ก็เปิดใจว่าไม่ค่อยไปไหนกันหรือถ้าจะไปก็มักจะไปทําบุญฟังธรรมส่วนท่านทั้งหลายที่มาที่นี่กับท่านที่อาจจะมีโอกาสได้ฟังธรรมซึ่งวันนี้จะมีการบันทึกไปถ่ายทอดต่อให้กับท่านผู้ชมได้ชมไปทั่วประเทศด้วย น, น, นะคะ<ม>ก็มีโอกาสได้ทราบ ว่าพระพุทธองค์นั้นตรัสไว้อย่างไรและอย่างหนึ่งที่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กันไปหมดก็คือในเมื่อเรามีโอกาสเกิดเป็นชาวพุทธแล้วก็ขอให้ได้มีโอกาสเข้าถึงสิ่งที่พระศ า, าสดาได้ตรัสสอนเอาไว้เป็นมรดกให้กับพวกเราแล้วก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าอย่างน้องๆเด็กๆนจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากน้องก้าอายุ4ี่ขวบใช่ไหมสี่ขวบเองค่ะแล้วก็น้องน้ําวุ้นตอนนี้ถึงเก้าขวบแล้วนะคะก็ เดิ๋ฉันได้ติดตามมาเรื่อยๆได้พบ<ม>พัฒนาการอย่างของน้ำวุ้นเนี่ยนะคะชัดเจนมากว่าจากเมื่อก่อนก็ดูเหมือนเขาท่องแบบเด็กๆแต่ตอนหลังเวลาได้ชมในรายการเสาค่ำได้พบว่าน้องน้งนำวุ้นก็คงจะเข้าถึงทมค่อนข้างลึกซึ้ง เ, เพราะมีประเด็นคำถามแบบคนที่เข้าใจนะคะทราบว่ามีกิจกรรมกำลังจะชวนน้องท่องพุทธวจนะกันทั้งประเทศ กขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ แ, ลและก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายมีความมั่นใจมากๆนะคะว่าเราช่วยส่งเสริมลูกหลานของเราที่เป็นชาวพุทธให้เข้าถึงคำสอนของพระศาษษษสดาเพราะเชื่อเหลือเกินว่าจะช่วยทำให้เรามีความสุขทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าค่ะกราบในัหการขอบพระคุณท่านนะคะแล้วถ่ายทอดที่ช่องไหนเนาะ ก็อคือจะให้ทางช่อง11นะคะช่อง11บ่ายสาโมงวันนี้บ่ายสามโมงวันนี้ใครจะกลับไปดูต่อก็ได้ที่ช่อง11ค่ะก็เพื่อที่จะให้คนทังบ้านนะคะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมด้วยอ่แล้วก็เชิญชวนเป็นอาสาสมัครใช่ไหมมีป้ายติดไว้ในโครงการชวนน้องน้องท่องพุทธวจนะนะใครจะมาเป็นอาสาสมัครก็มาสมัครได้นะ ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับมีเพิ่มเติมนะขอไม้ให้ยมกุ้งหน่อยนะไอ้ข้างๆไม้ข้างประช า, าสัมพันธ์เย็นนี้นะคะที่ TSN สอง น, นะคะ True Vision ก็จะมีประช า, าสัมพันธ์โครงการให้สัมภาษณ์ค่ะประชาสัมพันธ์โครงการชวนน้องท่องพุทธวจนะนะคะและหากว่าใครอยู่บ้านก็สามารถชมได้นะคะทั้งหมองพื้นเย็นนี้นะคะ่ะ ยมหมอหรือรงมีประชาสัมพันธ์โครงการหน่อยสิครับก็ผมคิดว่าเป็นโครงการที่จะเป็นประโยชน์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เยาวชนของเราได้มีโอกาสที่จะยึดพุทธวจนะเป็นก็มทิศในการปรอชดีเสาขึ้นเสาหลักในการที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ได้รับฟัง อาสาสมัครจำนวนมากเข้ามาร่วมปรากฏว่าได้รับการสนับสนุสนจากทุกๆองคอ์กรทุกๆฝ่ายอย่างดียิ่งนะครับ uh huh. ฉะนั้นถ้าวันนี้เรามีอาสาสมัครที่นี่ uh huh. ที่ต้องการที่เข้ามาร่วม uh huh. ก็จะเป็นกําลังสําคัญในการที่ทําโครงการนี้ซึ uh ่ง huh. จะได้ริเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงประมาณเดือนสิงหาค uh huh. มวินิจฉัยจะเป็นโครงการสําคัญที่จะเป็นการประกาศพุทว uh ัจนะให้ปกปักมั่นคงในสังคมไทย uh huh. ครับ uh huh. ใช่ แล้วเสริมยมหมอสุรพงศ์อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เรามาช่วยกันประกาศคําของพระตถาคตเนี่ยพระศาสดาให้ชื่อเราว่าเป็นรัตนห้าแก้วหประการที่หาได้ยากในโลกและให้ชื่อเราอีกว่าเป็นบุคคลผู้หาได้ยากในโลกสมพวกรัตนห้ามีอะไรหนึ่งอรหันตส ม, มาสัสมพุทธเจ้าหาได้ยากในโลก ผู้ที่ประกาศคําตถาคตนะก็เป็นแก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกผู้ที่ประพฤติทำนะผู้ที่รู้แจ้งในคําของตถาคตก็หาได้ยากในโลกนะผู้ที่ประพฤติธทำสมควรแก่ทำในคําตถาคตผู้มีความกระตันยูกระตาเวทีนะหบุคคลนี้เป็นแก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกส่วนบุคคลผู้หาได้ยากในโลกสามคู่หนึ่งลานตัสสัมมาสัมพุทธเจ้า สองผู้ที่ประกาศคำาตาคตสามผู้ที่มีความกระตันอยู่กระตะเวทีสามบุคคลนี้ก็หาได้ยากในโลกดังนั้นการทำโครงการนี้หรือเข้ามาช่วยมีประโยชน์นะเป็นอ น, นิสงส์งที่เราจะได้รับนะโดยคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราโอกาสเช้านี้ก็คงให้ความรู้ความเห็นกันเท่านี้ก่อนนะ ถ้าใครยังไม่ติดธุระอะไรก็หลังทานอาหารกันแล้วก็สนทนาธรรมกันต่อได้นะใครมีข้อสงสัยอะไรก็ซักถามกันได้ในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้กันมาร่วมถวายทานรักษาศีล <c oughs> เจริญภาวนาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคต มากระทมซึ่งการปฏิบุตรชาวินีตาก็ขอให้ทุกๆท่านเป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมะของตถาคตนะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดวางสิ่งใดก็ให้สมเร็จสมความปรารถนานะด้วยการเป็นผู้มีสัพทานในตถาคตมีศีลมีการสั่งสมสุตตมีจาคะมีปัญญาและให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสาเร็จมรรคผลนิพพาน ในอนาคตการั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน